ถ้เาเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งการกาหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไรกาหนดอย่างไร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 ให้ติดข้องอยู่ในวัตฏะสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทับเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญเลยบาปถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัตฏะสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัตฏะสงสารยังไม่พ้นต้องค้นทั้งบุญเลยบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอาก็สามการปฏิบัติสมถกรรมาฐาน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 แล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัฏฐาน <end> ือหมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อย <st> ปล่อยโอกาสไม่ตามเรียก ว, ว่าไม่ติดตาม <c oughs> อย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิต <C oughs> ออกมาแล้วปล่อยใหดโูดโดพูดออกมาแล้วก็ er <screen> เลิกกติทอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิปัมฐาน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 แต่ความจริงแล้วสมถะในขั้นต้นนี้เป็นได้เพียงปฐมจิตปฐมบิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตจะสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่าชองแล้ว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 ในมเมื่อจิตสงบลงไปถ้ า, าจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสนาได้จิตจะดำเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้มามากใหม่เลยตอบไปล <c oughs> เลยจิตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย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 ทาจว่าเอกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพพทโธสัมผัสกันจิตกับพพทโธสัมผัสกันนี่พพทโธเป็นธรรมมารมณ์จิตเป็นมโนที่นี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสและความรู้สึกว่าสัมผัสนั่นเป็นวิญญาณ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 ส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมองที่นี้ในเมื่อจิตกับมันสมองหรือประาษษสาทสัมมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการแตกต่างขึ้นมาภายในร่างกายของเราที่นี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้รู้อยู่เฉยเฉยมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอันเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมา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 การทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพออย่างนั้นการทําสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องภาคเพียรพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทําสมาธิแล้วทําให้เราหมดความคิด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 ทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมโสังคมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทําพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือทําใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้นทีนี้ อาจจะมาใครที่จะขอเตือนบรรดาสั้นทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกครูกรรมาฐานการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมาฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ทูกเทียนไปเรียนกรรมาฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมาฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้ว ก็มาฐานยกครูนี่มันจะทําให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุทโธพุทโธในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพุทโธพุทโธดังออกมาพอพุทโธดังช้าๆต่อไปก็ถีเข้าถีเข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทโทโทโธโธคเดียวในเมืเงียบเสียงโธแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศ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 บางทีเราอาจจะบริหารกายแบบฤาษีดัดตนท่านอาจารย์ฟั่นท่านทำหรือแบบฤาษีดัดตนที่ที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพน่อันนี้ไม่ผิดเป็นการบริหารกายให้ให้มีความคล่องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไร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 ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานโดยจากหน้าที่ของตัวอย่างดีเพราะนั่นสมาธินี่มีประโยชน์แก่นัก บ, บริหารเนนักปกครองอย่างเหลือที่จะพัฒ น, นาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อานาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดี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 ถ้าหากพระพุทธเจ้าทำได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทาเฉพาะที่ที่พอที่จะทำได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้ในอีกปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งของดวงจิตในสมาธิในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิ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 ในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัด ท, ที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆที่ในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิ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 ถ้าเราไปเกิดเอใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสีแสงเสียงเหล่านั้นจะหายไปถ้าหากเราพยายามพยุงดวงจิตประคับประคองจิตอันนี้ให้อยู่ในลักษณะสงบนิ่งเฉยสีแสงเสียงเหล่านั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานแล้วเราอาจจะได้ปัญญาเกิดจากสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นในแง่วิปัสสนาก็ได้ เพราะอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ตามหรืออาจจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก็ตามให้ผู้ภาวนากาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้น มันเป็นสิ่งที่จิตของเราบันดาลให้เกิดมีขึ้นมาเองเมื่อจิตไปเอะใจไปสงสัยไปยึดสิ่งนั้นจิตของเรานี่ไปหลงภูมิของตัวเองเมื่อหลงภูมิของตัวเองแล้วก็ไปยึดยึดแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอเกิดแอะขึ้นมาแล้วจิตขุข้อถอนจากสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายไปเราเลยหมดโอกาสไม่ได้พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริง อันนี้ให้ระวังให้มากอันนี้ตอนนีจำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ถ้าหากว่าจิตยังภาวนาอยู่ก็ภาวนาต่อไปถ้าจิตหยุดภาวนาแล้วก็กำหนดรู้จิตอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในขั้นนี้ข้อสอง เ ม, มโมปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ร่วงรับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิและสัมผัสรับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะติดต่อพูดคุยกับท่านควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้ไม่มีทางที่จะควรปฏิบัติอย่างไร และก็ไม่ควรคิดที่จะไปพูดคุยกับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้จิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงให้ปรากฏถ้าหากว่าท่านภาวนาพุโทโธพุทโธท่านเนึกอยากเห็นพระพุทธเจ้าหรือจิตของท่านลูกพันอยู่ที่พระพุทธเจ้าจิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถ้ า, าท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงรับไปแล้ว พอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกจิตเยืดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็นเพิ่งทาความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหละที่ปรากฏนั้นมันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่น หลวงพ่อนี้นั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนี่แหละเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเทศจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมาถ้าหากว่าเป็นสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้ปรากฏกันจริงๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในสมาธิ บางครั้งเนี่ยถ้ามานั่งอยู่เฉยๆนี่ผีมันวิ่งผ่านไปอย่างนี้อันนี้มันถึงเป็นของจริงในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมาพจนมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะยืดยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังจะนําตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอาตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศโกถ้ายังมีชีวิตยอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับ นหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทสท่านพูนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มัน่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกรอนอย่างดีพอภาวนาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจารงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมศึกไปอยู่ด้วยกานจะมีความสุข ในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กําหนดว่ารู้จิตที่เฉยอยู่เสียงเนี่มันก็ดังออดอดอดอยู่อย่างนั้นนะไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในนิมิตในฝันนั้นก็บอกว่าอมืมาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อย่าพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปุบปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นเผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด่อมด้อม้อมดอมอ อ, อ, อ, ออกประตูไปจนรับสายตา พอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกหพูดกับเขาสกักกดีเนาะทีนี้ทั้งทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสกักกดีเลยลรกโปประบออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งทั้งที่ตัวเองนี่แหละเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงนี่เดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกรอนเปิดประตูออกเอง ยังไม่ได้สติเวงลงไปวนรอบหาอยู่รอบรอบกติสองมุมน้นสองมุมนีท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านจะโกน ร, ร้องมาทองเอ้ยวัวหายเห็นแล้วหรือยัง ไ, ได้สติขึ้นมาเนี่ยข้อแท็จจริงที่ที่ที่ทำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบะการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้ ในเม็ดในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงในเม็ดที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมาเนี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นผู้พิเศษหรืออะไรก็ตามเดินเข้ามาหาเนืกองว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับพอน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเป็นเรื่องทรงไป นี่มันเป็นทางที่เฟ้ได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจว่านิมิตรหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็นในขณะที่ทำสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุกเห็นทุกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะ ตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคําบริกรรมภาวนาทุก ครั้งไปในเมื่อเจตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไปนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กําหนดรู้ลงที่จิตถ้าหาว่าเจตมีลักษณะลอยเพ้งฟ้างไขเพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ในเรื่องปล่อยวางคำภาวนาเนี่ยเจตจะต้องวางของเขาเองเราไม่ต้องไปวางให้เขากระไร สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือทำที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องจิตแต่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญา หลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ําใช่ไหม อันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมัสการพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องข้างอยู่คือผีผีแหลวิญญาณมีจริง เราะป้าคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เล่าฟังนั่นหนะอันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้ว แต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหาว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวฝันถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอตาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังยอ่อๆเมื่อปี 2,500 ห้านึ่งมีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้พีดที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อจะมาพาพระเนนไปอยู่นั่นสีหองค์พออยู่ได้3มวันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิบเๆลิบลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตก แล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกที่นี้มันเรียกว่าเอ๊ะฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะพีตบหรือไม่ตกก็ช่างหละวันนี้ ต, ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นเลยตัดสินใจไม่ไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตูม้มลงมา เดินไปดูไม่มีอะไรอยอยางงั้นจนกระทั่งถือถึงตีสาพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตปะเลอร์ขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่ไล่ไล่ไลกันอยู่ในตรงๆนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพอจะมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั่นแหละ แสงสองแส ง, สงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาตับมาต่อตมาก็กำหลดจิตเอา้าทะแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จปณิพัทธ์เข้ามาระยะหา่างห้าวาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อน เราเย่อๆเป็นแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กาหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมาล้วจะหาจุดที่กำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆนี่มันอาจจะไม่มีพลัง เพอจะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นตน้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกําหนดรู้ลงที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกําหนดตามรู้รู้รู้ไปเลยเป็นการใช้ได้ อันนี้คําถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรานึกอพุโทโธจิตก็อยู่กับพุโทโธพุโธก็อยู่กับจิตทำธรรมาธิภาวนาทําอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคําบริกรมรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไร mm. เมื่อจิตไม่อยู่กับคําบริกรมรมภาวนาก็พยายามนึกคําบริกรมรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการเนึกบริกรมรมภาวนานี้ไม่ได้ผล ก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายยกตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระาธาตุจริงหรือพระาธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้น เราสมมติว่านี่คือพระพุทธโลกเป็นองค์แทนองค์ส้มเดชโทสมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี่ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุาเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สําคัญ สำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เทียบราว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วควาว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเออเขาหมดกรรมของเขาแล้ว แล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายอ้อหมดกรรมเขาแล้วเขาจึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดําเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้อ้อหมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับให้ก่อเกิดอะไรต่างๆนี่ถ้าไม่สําเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบัน กรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทําในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละ บ, บัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อสแสวงหาแหล่ศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหม ถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธจเจ้าทำผิดแต่ถ้าอันแต่เพราะวิสัยพระสัพพันญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สะละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละลาหุนออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษ แล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพ์พาหรือลาหุ่นจะทนทุกทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สําเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราเราเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่อถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วย ที่ขอลาชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คุณอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนจึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานของไว้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมอ้อนิตอบไปแ และทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้ว ย, วยตัวนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมบังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเราลู้กับเขาไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างหยบาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆ เราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสาเร็จไอความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสาเร็จก็คือหมายถึงไอสเร็จสิ่งที่ที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังไล้ตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สาเร็จ ม, มากกว่าหรือให้รู้ ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณาลู้แล้วมันก็เกิดลู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทําสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านารกหรือ นรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็ท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มีหกชั้นนรกมีอยู่ถึง8ดขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหน นรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องต ก, ลลกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทําบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับ กิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่ด้านในความรู้สึกของเขาเน้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้งส2โยออันนี้มันเป็นกรรมมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุ ผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสัน้นอันนี้ท่านว่าไว้ในประศุตร์ศีลรหา้าหรือศีลรอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีลรห้าหรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวที่นี่ คนที่มีภูมิศีนห่านี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สาเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุโทธทนะมีศีลห่านางวิสาขาก็มีศีลห้าแล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุเอกพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบยังไม่ได้สมาทานศีนเลยนี่พระเจ้าสุโทธทนะ ฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้านี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในฆรวาดนี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพลุ่มพลั ง, ลงไม่ทราบว่าจะสํารวมอันใดบ้าง ในเมื่อภารลที่จะต้องสํารวมม า, มากๆจากนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทําผิดอยู่เรื่อยๆศีลโมหมองภาวดาสู้เคโลหัตไม่ได้ใจที่ทําให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทําอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทําจะพิจารณาให้รู้แจ้งเข็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้ เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสนาให้ครูกาหนดจูบหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบ ยังเปลี่ยนมากำหนดพุดโทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการ้นมาฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีพกล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบแบบเลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใคร บางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการเลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทําอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัตหลักฐานจาก ทีะอระอหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นบางสะวิรัตในมาพูดถึงมังสาวิรัตแล้วอจะมาขอย้ําอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวกลมกู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั่นดีวิเศษแล้วเอาไปเที่ยวกลมกูคนอื่นนั่นมันกลายเป็นบาปาะการตำหนิดนั่นเป็นมันเป็นวาจายาปเป็นชายาแห่งหมุสาวาดไม่ควรทา ถ้าอย่างดีก็เออเราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเพื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทำนองนี้คนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้ อันนี้อาการที่พระพิสูต้องอาบัตสงสัยแล้วกืนธรรมลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปเป็นการ ส, งส่งเสริมปานาธิบาปอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเถอะมีอาการง่วงนอนขณะรมสมาธิเลยหลับไปในที่สุด จะปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัติที่ทําให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทําให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถกระจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหา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 เมื่อเจสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองลระขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี้